สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนตยกรคนชอบเล่าวันนี้วันพระครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาตามรอยท่านหลวงพ่อกวยชุดตินทโรแห่งวัดโกศิ ต, ตารามกันต่อครับคลิปนี้ก็จะงคงเป็นการตามรอยครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดศัพวิชาให้กับท่านนะครับโดยเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ได้รับความเอื้อเฟื้อมาจากคุณไตรพลนักสมบูรณ์ครับเจ้าของเพจคนขลังคลังวิชาซึ่งเป็นเพจที่มีการบันทึกประวัติพระเกจิอาจารย์มากมาย ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับบาป บ, บุญคุณโทษให้ได้เข้าไปอ่านกันครับแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือเรื่องเล่าคลาสปฏิหารตํานานวัตถุมงคลหลวงพวกกว่อโกจุตินทโรปกแดงที่ผมได้นํามาถ่ายทอดนี้แหละครับขอบคุณมากครับเอาล่ะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับคลิปที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ของท่านหลงแต่เป็นสงทีนี้เรามาตามรอยดูครูบาอาจารย์ของท่านที่เป็นคาวาสกันบ้างนะครับและท่านต่อมาก็คือครูพึ่งเมืองกรุงเก่า ครูพึ่งท่านนี้เป็นอาจารย์ค า, ารวะผู้สําเร็จธรรมเป็นผู้มีพลังจิตสูงส่งพิสดารอีกทั้งยังรอบรู้ไสยเวทวิทยาคุณเป็นอันมากว่าไปครูพึ่งท่านเป็นอาจารย์ของพระคณ า, าจารย์ผู้เลื่องลือในเมืองไทยหลายท่านครูพึ่งท่านนี้เป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าถวายแด่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคภายหลังคาถานี้เลื่องลือเป็นที่รู้จักตราปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิวิชาสร้างและปลุกเสกประหลัดขิกให้กับหลวงพ่อศกวัดปากคลองบางครก ท่านมีชื่อเสียงมากในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งวิชาเสกประลัดขิดนี้ภายหลังหลวงพ่อกวยท่านมีวาสนาได้รับความเมตตาประสิทธิ์วิชาเสกปลัดขิกจากครูพึ่งทั้งทําได้ขลังพิสดารตามตำราทุกประการการที่หลวงพ่อกวยได้ประสิทธิ์เรียนวิชาจากครูพึ่งนี้หลายท่านอาจเกิดความสงสัยว่าเป็นคนต่างยุคกันแล้วเหตุไฉนจึงมาพานพบกันได้อย่างไรในเมื่อคราวที่หลวงพ่อปานเรียนวิชาพระปัจเจกโพเวลานั้นครูพึ่งมีอายุ90กว่าปีแล้ว ลหลวงพ่อปานผู้เป็นสิทธิ์ครูพึ่งหลวงพ่อกวยท่านยังไม่ทันได้พบเลยแต่กลับได้เรียนกับครูพึ่งอันเป็นเรื่องเข้าใจยากนี้ความจริงเป็นมาอย่างไรนั้นขออธิบายให้ทราบดังนี้จากข้อมูลที่ได้ทราบจากสิทธิรุ่นแก่หลายท่านรวมถึงข้อมูลจากปากคําหมอเฉลียวเด็กมาซึ่งเคยติดตามหลวงพ่อกลวยเพื่อไปขอเรียนวิชากับครูพึ่งโดยการได้พบกันนี้หาใช่พบกันเช่นเราท่านปกติพบกันด้วยครูพึ่งท่านถึงแก่กรรมไปแล้วในเวลานั้น แต่กายทิพย์ท่านยังกุงห่วงลูกหลานพุทธบริษัทท่านจึงมาจับร่างลงประทับทรงของบุคคลท่านหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังท่านปรารถนาจะสร้างบารมีและอนุเคราะห์ลูกหลานจึงเปิดรับรักษาผู้คนโดยไม่คิดเงินค่าใช้จ่ายผู้คนในยุคนั้นต่างร่ํำลือมากเพราะท่านรักษาผู้คนได้อย่างอัศจรรย์ข่าวแพร่ออกไปผู้คนต่างหลั่งไหลมากกันมากมายหลวงพ่อ ก, กวยเมื่อทราบข่าวท่านจะเดินทางมาพิสูจน์ดูให้เห็นจริงว่าเป็นประการใด ท่านได้พบความอัศจรรย์ที่ครูพึ่งแสดงให้ประจักษ์หลายประการเกัทฐามั่นว่าเป็นจิตวิญญาณของครูพึ่งมาประทับทรงแน่นอนหลวงพ่อกวยท่านจึงฝากตัวขอเรียนวิชากับครูพึ่งซึ่งท่านก็เมตตาถ่ายทอดวิชาให้หลวงพ่อกวยหลายประการเช่นวิชาสร้างและปลูกเสกประหลัดขิกวิชารักษาคนถูกสุนักกัดวิชารักษาโรคพิษสุนักบ้าและอีกมากมายในการเรียนวิชากับครูพึ่งนี้ทราบว่าหมอเฉลียวท่านก็ได้เรียนวิชาด้วย โดยครูพึ่งประสิทธิวิชารักษาคนถูกสุนักกัดให้หมอเฉลียวไว้ด้วยทั้งเล่าว่าวิชารักษาสุนักกัดของครูพึ่งนี้พิศดาร น, นักเมื่อรักษาแผลด้วยการเหยียบลงบนแผลที่สุนักกัดผู้รักษาสามารถล่วงรู้ได้ว่าสุนัขที่กัดมีรูปร่างอย่างไรเหยียบให้แผลหายก็ได้หรือจะเหยียบให้สุนัขที่มากัดนั้นตายเลยก็ย่อมได้เรื่องการเรียนวิชากับครูพึ่งนี้ทราบว่าเรียนมาแน่นอนโดยหมอเฉลียวตั้งให้ข้อมูลไว้ว่าเคยเดินทางไปเรียน แต่ท่านจำสถานที่ไม่ได้เสร็จแล้วว่าอยู่บริเวณใดด้วยเวลาผ่านมานานหลายเปย์ลำดับต่อมาครูฟุง้งครูจำเปยครูฟุงครูจำเปยทั้งสองท่านนี้เป็นคาราวาสเข้าใจว่าเป็นสิทธิท์สืบทอดวิชามาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโควิชาที่หลวงพ่อเกวยท่านเรียนเป็นวิชารักษากุมารทางคันรักษาตลอดจนวิชาทางถอนคุณใสวิชาที่เรียนมาโดยเฉพาะทางสงเคราะห์กุมาร น, นี้เด็ดขาดนัก ตัวอย่างการใช้ได้ดิบเสกทําเป็นมงคลและเสกในน้ํามนต์ให้สตรีมีคันที่คลอดลูกไม่ได้หรือคันเป็นพิษลูกเสียชีวิตในท้องไม่ได้ดื่มกินได้ดิบกับน้ํามนต์เข้าไปจะส่งเคราะห์กุมารน้อยออกมาได้ทั้งยังมีได้ดิบคล้องคอออกมาด้วยอย่างน่าประหลาดใจเรื่องนี้หากทําไม่ได้ในตามตําราคงไม่ระบุะไว้อย่างแน่นอนส่วนวิชาพอกแป้งถอนคุณไส้นี้ก็ขลังนักว่ากันว่าในสมัยหลวงพ่อปานท่านพอกแป้งถอนคุณไส้ได้ ขนาดเรียกมีดบางตออันใหญ่ออกมาจากท้องคนป่วยได้เลยทีเดียววิชาแพทย์โดยเฉพาะในทางวิชาสะกดกุมารในท้องนี้ในยุคแรกทราบวาหลวงพ่อท่านเคยสงเคราะห์ญาติโยมอยู่บ้างแต่ภายหลังแพทย์จเจริญขึ้นมากกว่าในอดีตท่านจึงหยุดสงเคราะห์ญาติโยมในส่วนนี้ไปลําดับต่อมาครูรุนครูเพ่งอาจารย์แหลมวัดท่าช้างครูรุนครูเพ่งอาจารย์แหลมวัดท่าช้างทั้ง3ท่านนี้เป็นคารวะจอมอาคม เป็นอาจารย์สักยันและอาบว่านเข้าใจว่าเป็นศิษย์ในสายวิชาหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาศนักนี้ท่านขึ้นชื่อทางเหนียวคงเห็นได้จากความนิยมเรียนหลวงพ่อกลั่นเวลานี้มีราคาสูงมากเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้สํานักวัดพระญาศนี้มีชื่อเสียงทั้งเหนียวคงอย่างอัศจรย์เนื่องมาจากวิชาชาตรีที่พระอาจารย์กลัน่นพระอาจารย์พุเทเถ่าประสิทธิ์ประสาสนให้กัเหล่าศิษย์ตัวคาถาในวิชาหลวนเป็นภาษาแขก ไม่แน่ชัดว่าหลวงพ่อกลันท่านเรียนวิชานี้มาจากใครหรือสำนักใดแต่ท่านทําได้คลั่งมีชื่อเสียงมากในยุคสมัยนั้นแม้แต่เสด็จในครมมืหลวงชุ่มพรเขตอุอมศัก์ท่านเดินทางมาฝากตัวเป็นศิษย์สำนักนี้ด้วยเช่นกันหลวงพ่อเก๋อท่านเรียนวิชาชาตรี9เฮเรียนวิชาอาบน้านําว่านวิชาทางเหนี่ยวคงต่างๆจากครูรุนครูเพงและอาจารย์แหลมวัดท่าช้างเห็นได้จากที่ซื่อครูทั้งสามมาบุอยู่ในตำราคาถาของท่านอย่างชัดเจน ลำดับต่อมาชีพเขาลึกลับแห่งเทือกเขาตะนาวสีเรื่องราวของอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาให้แก่หลวงพ่อกวยนี้เชื่อว่าคงมีอีกหลายท่านที่หลวงพ่อกวยท่านไม่ได้บันทึกเอาไว้สมัยหนุ่มยังแข็งแรงทราบว่าหลวงพ่อกวยท่านชอบทุดงไปในป่าเขาห่างไกลท่านไปหมดแต่เหนือเจริใต้ตะวันออกสุตะวันตกท่านไปมาทั่วเพื่อฝึกฝนขัดเกลาจิตเมื่อพบครูบาอาจารย์ในป่าเขาท่านมักขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชามาก็มาก เหตุนี้เชื่อว่ายังคงมีครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่ยังไม่มีการบันทึกไว้ในส่วนเรื่องราวของชิบะเขาลึกรับแห่งเทือกเขาตะนาวสีข้าพเจ้าผู้เขียนได้ทราบข้อมูลเก่าจากท่านอาจารย์สมจิตเทียนจันทร์และสอบถามเพิ่มเติมจากพระอาจารย์สมุภาคในวงเล็บตัวท่านเคยกล่าวถึงเรื่องราวของชิบะเขาลึกลับท่านนี้ข้าพเจ้าผู้เขียนเห็นเป็นเรื่องราวน่าสนใจจึงรวบรวมและเรียบเรียงมาบันทึกไว้อีกครั้ง เพืให้สิท์ตลอดจนบุคคลรุ่นหลังที่เคารพในหลวงพ่อกวยได้ทราบดังนี้การที่หลวงพ่อกวยท่านชอบแสวงหาความวิเวกไปตามป่าเขาห่างไกลเพื่อฝึกฝนจิตสามาท่านชอบเดินทุดงไปตามผืนป่า ท, ทงางภาคตะวันตกบ่อยครั้งด้วยผืนป่าเขตนี้เต็มไปด้วยอาถรรพ์ลี้ลับและครูบาอาจารย์ที่ต่างมาแสวงหาความวิเวกณผืนป่าแถบนี้เห็นได้จากการที่หลวงพ่อกวยท่านมาที่ผืนป่าตะวันตกบ่อยครั้ง นท่านรู้จักคุ้นเคยกับพระคณาจารย์ในเขตนี้หลายรูปทั้งเดินทางไปมาหาสู่กันเช่นหลวงพ่อกริงวัดโพเลียวในวงเล็บวัดโพสีสุขารามหลวงพ่อวุ้นวัดท่าเรือเป็นต้นการเดินเท้าเข้าไปยังผืนป่าตะวันตกลึกเข้าไปตามแนวเทือเขาตะนาวสีทราบว่าหลวงพ่อกวยท่านได้พบชีพะขาวท่านหนึ่งท่านว่าชีพะขาวท่านนี้ไปมาไร่ร่องรอยอย่างผู้เรืองอาคม เป็นผู้ทรงคุณทั้งจิตและภูมิทั้งยเวทวิทยาคุณอย่างเอกอุไม่ทราว่าท่านเรียนวิชากับชีพข่าวนี้มากน้อยเพียงใดทราบเพียงที่ท่านเล่าให้สิทธ์ฟังว่าได้เรียนวิชาหัวใจสื่อสมิงอันวิชาสื่อสมิงนี้เป็นวิชาลี้ลับเป็นดาบสงคมคือมีทั้งคุณและโทษหากใช้ในทางที่ผิดวิชาสื่อสมิงนี้ใช้เศษเป็นหุ่นพยนต์ให้เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์ก็ได้ผู้สําเร็จวิชานี้สามารถปลุกเศษ ข, ของให้เป็นไปทางมหาอำนาจเป็นตะบะก็ได้ รือมตเสกตัวเองให้กลายร่างเป็นเสือก็ได้และอีกวิชาที่ท่านได้เรียนมาคือหัวใจพยากรุมงเพรืผู้สําเร็จ ว, วิชานี้สามารถแปลงร่างตนเองให้เป็นจระเข้ได้วิชานี้สื์รุ่นเก่าเล่าว่าหลุงพกุ้ยท่านเสกตนเองให้เป็นจระเข้ได้ท่านยังสามารถเสกผู้อื่นให้เป็นจระเข้ก็ได้วิชาแปลงร่างเป็นจระเข้นี้มีอยู่จริงแน่นอน ด้วยภายหลังหลวงพ่อท่านถ่ายทอดให้ในกลวยเรียนวิชานี้ไว้และสามารถทําได้จริงมีคนเห็นมาแล้ววิชาทั้งสองที่หลวงพ่อกลวยเรียนรู้จากชีประขเขารื้อคลับนี้ถือเป็นวิชาแปลกพิสดาร น, น่าอัศจรรย์ฟังไปคล้ายนิทานพื้นบ้านแต่หารู้ไหมว่ามีอยู่จริงทั้งคู่ทั้งมีผู้ทําได้จริงหาใช่นิทานมาเล่าหลอกลวงกันหมายเหตุวิชาแปลงร่างเป็นเสือวิชาแปลงร่างเป็นจระเข้กับวิชาเสกผ้าอาจเป็นกระต่ายนี้ หลวงพ่อท่านยังได้ตำราเก่าซึ่งเป็นวิชาของหลวงพ่อเท่าวัดข้งางเขากับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าท่านต่อมาครูเกรียงพุทธเท่าข้อมูลในส่วนนี้ข้าพเจ้าผู้เขียนได้มีโอกาสสอบถามจากพระอาจารย์ตีสมัยท่านอยู่สำนักสงฆ์เขาเขียวท่านอาจารย์ตีนี้กว่าจะสอบถามข้อมูลจากท่านได้ต้องใช้ความอดทนไม่น้อยด้วยท่านเป็นคนเจ้าอารมณ์สักหน่อยทั้งมีโรคประจําตัวคือโรคกระเพาะ หากไปพบช่วงจังหวะดีก็พอคุยกันได้ความรู้หากไปผิดเวลาท่านเกิดปวดท้องหรืออารมณ์ไม่ดีเป็นอันว่าจบคือไปถามเสาสีอะไรมากๆท่านไลยส่งหนีแทบไม่ทันและผมเองโดนมาหลายคราวแต่ด้วยความอดทนประกอบกับความอยากรู้จึงเข้าหาท่านอยู่เรื่อยจึงได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้หลายเรื่องที่ลวนน่าสนใจคราวหนึ่งท่านอารมณ์ดีได้เล่าเรื่องหลงพกกลวยให้ฟังเรื่องหลงพกกลวยไปรเรียนวิชากับหมอผีก็เรียง ซึ่งเป็นครูผู้เท่าของชาวกรเรีย่ยมพระอาจารย์ตีท่านเล่าว่าหลวงพ่อกวยท่านสนใจเรียนวิชาไปหมดทุกขแขนงรวมถึงวิชาทำคุณใส่ต่างๆความที่ท่านเรียนทางแก้ของมาก่อนแต่หากจะให้รู้จรงิงก็ต้องเรียนรู้ให้ครบทั้งวิชาธรรมและวิชาแก้ดังคําที่ว่ารู้เขารู้เราไม่ทราบว่าอาจารย์กระเรียงท่านนี้มีนามว่าะไรทราบเพียงว่าท่านนดาเรียนวิชาทางคุณใส่และอาบน้ําว่านยา เรื่องการทำคุณไส่นี้หลวงพ่อท่านเรียนรู้มาหมดทั้งเสกหนังบังฟันและอีกมากมายวิชาเหล่านี้เป็นวิชาร้อนเมื่อเรียนแล้วต้องปล่อยของหากไม่ปล่อยของที่เรียนจะเข้าตัวผู้เรียนเสียเองหลวงพ่อกว้อท่านเรียนมาเพื่อรู้เท่านั้นท่านไม่ทำใครเพราะท่านเป็นพระทำไปแล้วเป็นบาปท่านแก้ไขโดยการปล่อยของใส่รูปมะละกอหรือต้นไผ่ขอจะเข้าไปอยู่ในต้นไม้รูปผลไม้แทน เป็นอันว่าท่านเรียนมาไม่ได้ทําบาปทํากรรมส่งไปเข้าใครซึ่งเป็นเรื่องแปลกน่าสนใจจึงนํามาบันทึกไว้ไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้สูญหายลําดับต่อมาในปานในปานผู้นี้ทราบเพียงว่าเป็นสิทธิหลวงพ่อโตวัดวิหานทองสําหรับหลวงพ่อโตรูปนี้ถือว่าเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่าท่านรวมยุคเดียวกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อโตท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิสมัยท่านยังมีชีวิต เคยเขียนพยันแจกสิษย์พยันหลวงพ่อโตท่านไม่เหมือนอาจารย์ใดด้วยท่านหลวงพยัญด้วยตัวหนังสือไทยคนเก่าๆรู้กันทั่วว่าหลวงพ่อโตท่านไม่รู้ตัวขอมท่านเขียนไม่เป็นเรื่องนี้อาจารย์สมจิตเคยพูดว่าหลวงพ่อโตท่านไม่เขียนขอมท่านเรียนรู้เขียนได้แต่ตัวดอกตัวอูอักษรง่ายๆบางตัวเท่านั้นพยันหลวงพ่อโตท่านลงด้วยตัวไทยด้วยคาถาพระเจ้าห้าพระองค์คือนะโมพุทธายะ กับลงท่าสี่คือณนะมะพะทะและท่านจะลงตัวดอกที่พยันเท่านี้คนสมัยก่อนบางคนเขาจึงไม่นับถือท่านว่าท่านเป็นพระแต่ไม่รู้ตัวของก็มีแต่พยันท่านมีประสบการณ์มากส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อโตหากใครใส่ไปคิดทำชั่วหรือคิดไปทำร้ายหมายชีวิตใครอย่าได้หวังเพราะพระขอหลวงพ่อโตเป็นที่รู้กันมานานในพื้นที่ว่าใส่ไปยิงใครเขาจะรู้ตัว ขโมยใส่เป็ลักของเขาเจ้าทรับก็รู้ตัวตื่นทุกครั้งตำรวจใส่ไปจับโจรก็จับไม่ได้โจรรู้ตัวหนีก่อนทุกทีเข้าใจว่าท่านไม่ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนกันท่านคงอยากให้เลิกรบเลิกเบียดเบียนกันยึดถือความเมตตาปราณีเป็นหลักนี้คือความแปลกของวัตถุมงคลของหลวงพ่อโตที่พุทธผู้แก่ชาวสันคบุรีเล่าสืบต่อกันมานานปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อโตเป็นที่นิยมเสาะหาโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรก สำหรับในปานเสร็จหลวงพ่อโตท่านนี้ทราบเพียงว่าหลวงพ่อเกวยทานน่ท า, นนทานได้มาขอเรียนการลงตัวน้าต่างๆกับการลงตัวดอแรนโดเอาไว้ครับผมแล้วเรื่องราวของครูบาอาจารย์ของท่านก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับความจริงว่าจะไปต่ออีกสักหน่อยแต่ก็ไม่กล้าครับกลัวจะฟังกันไม่รู้เรื่องเนื่องจากระหว่างที่ทํานี้ก็หายใจทางปากอย่างเดียวเลยครับช่องระบายอากาศ2ช่องข้างบนไม่ทํางานเลยทําไม่มีทั้งอู้อีบูบี้ออกเสียงก็ยากไม่ค่อยชัด แต่เรื่องราที่น่ารู้ของหลวงพ่อ ก, ก๋วยก็ยังมีอีกมากนะครับผมจะค่อยๆทยอยมาถ่ายทอดทุกวันพระนะครับแล้วคนขลังคลังวิชาคลิปนี้ก็ขอจบลงก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่วันพระหน้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังวันนี้วันพระสบายๆอย่างมีสติครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังในตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบ